อยากปฏิบัติธรรมแต่ก่อนหน้านั้นเคยปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เจ็ดขวบหัดอนาปานสติหายใจออกหายใจเข้าอะไรอย่างนี้หัดไปเรื่อยๆมุ่งเอาความสงบเป็นที่ตั้งทาอยู่ยี่ปีนะมันไม่ได้อะไรหรอกมันได้แต่ความสงบถ้าจะไปต่อก็ไม่รู้จะไปยังไงจนกระทั่งมีบุญวาสนา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 กำลังปลื้มนะก็บอกท่านบอกเข้าใจครับนะท่านบอกเออดีเข้าใจเราไปทำเอาไปได้รับไปนะนะวเวลาส่วนใหญ่ที่อยู่กับท่านครั้งแรกนะนะเป็นว่าเวลาที่ท่านนัน่งหลับตานะท่านสอนไม่มากหรอกท่านสอนว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองก่นะอนประโยคนี้ท่านก็บอกการปฏิบัติมันไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองนะ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 จะแม่นมากกว่าว่าเจอแฟนครั้งแรกวันที่เท่าไหร่เราก็ดูลงไปนะวันนั้นพายุมานะออกจากที่ทำงานมาในะี่เปียกฝนทั้งตัวเลยพายุมันตีร่มพับไปหมดนะต้องเดินตากฝนมาเสร็จแล้วไปหลบฝนอยู่ในกุฏิพระแห่งหนึ่งนะอยู่ใกล้ๆที่ทำงานไปหลบฝนนั่งกอดเข่าอยู่นะใจมันกังวลขึ้นมาว่าเออเราถูกฝนที่ไรเราเคยเป็นไข้ทุกทีเลยคราวนี้สงสัยจะเป็นไขยย้แล้วใจกังวลว่าจะเป็นไข้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 จิตคือพุท ธ, ธะตั้งแต่จักรวาลเกิดจนจักรวาลแตกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราฟังก็เวียนหัวเลยนะสุดท้ายทนไม่ได้นะถามท่านบอกหลวงปู่ที่หลวงปู่สอนทั้งหมดเนี่ยผมขอดูจิตอย่างเดียวได้ไหมนะท่านบอกดูจิตอย่างเดียวได้แหละพอแล้วธรรมะแปดหม่นสพันพระธรรมขันธ์นี่ออกมาจากจิตดวงเดียวนี่เองนะนี่ก็คืนให้ชาวสุรินนะนะท่านสอนบอกให้ดูจิตตัวเองนะก็ต้องเป็นคนดูนะท่านสอนบอกว่าธรรมะมันอยู่ที่จิตเรานี่เองนะธรรมะที่เป็นกุศล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 ฟังแล้วงงฟังแล้วก็งงงท่านถามว่าเข้าใจไหมบอกไม่เข้าใจครับแต่จะจาไว้ตอนนี้ยังไม่เข้าใจแต่ขอจาไว้ก่อนท่านบอกเออดีจาไว้นะไปได้ละกลาบลาท่านนะทุกครั้งที่มาหาท่านเวลาลาท่านคลานถอยหลังออกมาดูใจนี้จะไม่มีความอะไรอาวรท่านเลยนะเมื่อเรียนธรรมะแล้วนะหลวงปู่ก็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 ที่ได้ยินท่านสอนอย่างนี้ท่านสอนสองคนนะสอนหลวงพ่อพุธกับสอนหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อพุธ ท, ท่านก็บอกว่าเออคุณกลับมาตะ ม, มามาทํากติกากันนะตกลงใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะะ <c oughs> เราดูแล้วเหมือนเราจะบอกท่านได้ไงท่านแหละต้องบอกเรานะ <c oughs> เรามันเด็กอินโนเซนต์เลยนะไม่ได้เรื่องได้เราอะไรแตนะ่ท่านเมตตา ม, มากนั่นเองนะ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 เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทําทลายเปลือกออกมาเองโอ้โาฟังธรรมของท่านนะโอ้โหสะเทือนใจท่านภาวนานี่นะเด็ดขาดเลย ท, ท่านท่านทํำลายของท่านได้ละนี่แต่แม้ในที่สุดท่านก็เป็นคนบอกหลวงพ่อจนได้เรามาภาวนาต่อนะก็ภาวนามาเรื่อยๆแหละจิตใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นขอให้รู้เท่านั้นนะ่ะให้ดูจิตดูใจของเราไปนะ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 ถ้าเห็นอย่างนี้นะเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้นล้วนเมื่อไหร่เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งมันจะละสมุทยัยคือจะหมดความดิ้นรนของจิตหมดตัณหาโดยอัตโนมัตินั้นรู้ทุกแจ่มแจ้งก็ละสมุทยัยอัตโนมัติทันทีที่สมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งนะนิพพานเป็นภาวะแห่งความสิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากของจิตนิพพานเป็นวิราคะ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 เอวเมวาวิโตดินนางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิฉตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโตปันนรโสยถ า, ามณิโชติระโสยธ า, าสัพพีติโยวิวัตจันตตสัพรโรคโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีที่คาโยโกภวะ อภิวาทนาศีลิสนิจังุทธาปจจายโนจัตาโรธรร ม, มาวทันติอายุวันโนสดุขังพระลัง